ก็คือการรู้รู้ทุกนะรู้เรื่องทุกสมุทัยนิโรธมรรครู้อริยสัจรู้รูปนามที่เป็นอดีตรูปนามที่เป็นอนาคตรูปนามทั้งอดีตทั้งอนาคตนี่อีกสมอันรู้ปฏิจจสมุปบาททุกสมุทัยนิโรธมรรคใช่ไหมรู้รูปนามที่อดีตที่อนาคตทั้งอดีตทั้งอนาคตก็ปฏิจจสมบัติรวมแล้ว8ดข้อ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 จนถึงปัจจุบันสู่อนาคตนะนี่เรียกว่ารู้ทั้งอดีตรู้ทั้งอนาคตการที่เราเห็นรูปนามทำงานสัมพันธ์กันไปเรื่อยส่งทอดกันไปเรื่อยๆ เ, เราจะเห็นปฏิจจสมุ ป, ปบาทเพราะปฏิจจสมุปบาทก็คือการทำงานของรูปนามนั่นเองตั้งแต่ว่ า, าวิชามีอยู่สังขารคือความปรุงแตง่งยังมีอยู่สังขารมีอยู่วิญญาณจึงมีอยู่วิญญาณมีอยู่นามรูปจึงมีอยู่ไล่ๆลนะ่ไล่ มันจะแจ้งแจ้งปฏิจจ ա สมาธิได้ก็เพราะมีสติรู้กายรู้ใจลงปัจจุบันเองนะรู้ตามความเป็นจริงเนหะ็นไหมคีย ข, ของมันอยู่ตรงนี้ไม่ใช่ไปคลําทีละตัวนะบางคนก็เข้าใจผิดนะวันนี้จะรู้ทุกนี่ทุกอยู่ที่ไหนโอ้ยนั่งแล้วเมื่อยนี่เป็นทุกหรือกลุ้มใจเป็นทุกข์ไม่รู้หรอกว่าสบายใจก็เป็นทุกเหมือนกันมองไม่เห็น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 นิพพานมีอยู่ตลอดเวลานิพพานไม่เคยหายไปไหนแต่เราไม่เห็นนิพพานไม่ใช่รูปธปรรมนา ม, มารำซึ่งมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับนะแต่นิพพานมีอยู่ตลอดอยู่แล้วแต่เราไม่เคยเห็นเพราะใจของเราไม่คู่ควรกับ น, นิพพานใจของเราเป็นใจอันธพานนะไม่ใช่จะเห็นนิพพานหรอกใจของเราแสบสายวุ่นวายอยู่ตลอดเวลาเต็มไปด้วยความอยากดูออกไหมใจเราอยากตลอดเวลากระทั่งอยากปฏิบัติ หลวงพ่อเคยเจอพระองค์หนึ่งตอนนั้นหลวงพ่อภาวนาหลวงพ่ออยากปฏิบัติแค่คิดอยากปฏิบัตินะพระท่านตะโกนข้ามสะน้ำมาลลเลยบอกปลาโมดอยากปฏิบัติก็ผิดแล้วโอ้ฟังเราทราบซึ้งถึงใจเลยอยากปฏิบัติก็ผิดแล้วอย่าพูดถึงเรื่องลงมือปฏิบัติเลยแค่อยากอยกปฏิบัติก็ผิดแล้วท่านพูดถูกไหมถูกนะถูกกับอภิธรรมเป๊ะเลยความอยากก็เป็นโลภะ เป็นกิเลสการลงมือปฏิบัติเป็นการกระทํากรรมในอภิธรรมจะสอนเลยว่ากิเลสเป็นสหาชาตปัจจัยของกรร ม, มเกิดร่วมกันเรานั้นตราบใดที่ยังภาวนาอยู่ด้วยความอยากนะความอยากก็ยังอยู่ยันเดินจงกรมนะเมื่อไหร่จะบรรลุสติเมื่อไหร่จะบรู้ลุสติสติจะไม่เกิดเลยเพราะว่าอาคุศลมันเกิดครอบครองหัวใจเราอยู่ยังแค่อยากปฏิบัตินะก็ผิดล้อยากกําหนดก็ผิดนะก็อยากนั่นแหละ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 ความอยากก็ดับเพราะว่าทันทีที่สติเกิดความอยากก็ดับความอยากเป็นกิเลสเกิดร่วมกับสติไม่ได้แต่ น, นี้ดับชั่วครั้งชั่วคราวเดี๋ยวก็เกิดอีกแต่ถ้าดับเพราะเห็นทุกข์แจ่มแจ้งแนะจะดับแล้วดับเลยเรียกว่าสมุดเฉดประหารไม่เกิดขึ้นอีกแล้วเพราะนนพระอราหันต์เนี่ยไม่ต้องรักษาจิตไม่ต้องระวังรักษาจิตเลยทุกอย่างมันเป็นอัตโนมัติไปหมดเพราะว่าตัณหามันไม่เกิดแล้วมันไม่มีอะไรย้อมจิตได้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 เลยมีปรัชสสนาจริงๆนะคือการเห็นไตรลักษณ์ของรูปนามของกายของใจใกากับใจก็ต้องของตัวเองด้วยไปเห็นของคนอื่นยิ่งกิเลสมากนะอย่างสมเชติ ว, ว่าหนุ่มคนนี้มาเห็นคุณแต้มนี้นี่เห็นรูปเห็นนามอุ้ยมันน่ารักไปหมดเลยกิเลสมันมากนะหรือหันไปหันไปดูคนข้างๆเราโอ้อ็นี่น่าเกลียดที่สุดเลยนะมันมีหนวดด้วยไม่ชอบมันอย่างเงี้ย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 มันเห็นอย่างนี้นะมันถอนทิ้งเลยมันไม่เอาแล้วสลัดทิ้งเลยนะสลัดคืนกายให้โลกสลัดคืนใจให้โลกนะสลัดคืนเรียกว่าปฏินะิสักะชื่อทางกลุ่มของนิพานเหมือนกันกลุ่มของนิโรธเหมือนกันสลัดคืนไปอนารยะไม่อาลายาวนในรูปในนามนะอนารโยอนารยะนะวิมุตคือหลุดพ้นจากความยึดถือในรูปในนามนะนะีมันถอดถอนตัวเองออกนะ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 นิพพานขันพระพุทธเจ้าเลยนิพพานสองครั้งนะนิพพานใต้ต้นโพนะันิพพานกิเลสส่วนปรินิพพาน น, ะนั่นนิพพานใต้ต้นสาระนะคนละทีกันเป็นนิพพานขันทือทิ้งขันเลยนะขันดับขันแตกขันดับขันสลายตัวไปยันเราภาวนาเราอย่าไปเกลียดขันถึงเกลียดยังไงก็หนีไม่พ้น ไปที่ไหนขันมันก็ไปด้วยหนีไม่ได้เรกไปไหนก็ไปด้วยไม่จะไปเกลียดมนันนะแค่รู้มันไปรู้มันไปเรื่อยวันหนึ่งก็จะอยู่กับมันแต่ไม่สัมผัสกันมีความสุขจิตใจจะมีความสุขล้วนๆอะไรแถว น, น, นี้เทศยากไปไหมวันนี้มีคนเก่งๆมาหลายคนธรรมะมันเลยยากนิดหน่อยแต่สรุปง่ายๆนะทั้งหมดที่หลวงพ่อพูดมันเนี่ย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 จเจเลนบุพพาฆามัคเบื้องต้นของมัคไม่ใช่อริยมัคตรงที่อริยมัคเกิดนั้นเกิดในขณะจิตเดียวแว้บเดียวเท่านะั้นขาดสะบั้นในกิเลสขาดแล้วขาดเลยนะอันไหนที่มัคทําลายแล้วจะไม่เกิดขึ้นมาอีกแล้วขาดเด็ดขาดเราะนเบื้องต้นนะมีสติรู้กายรู้ใจไปเงรนทุกวันที่สอนก็จะสอนเรื่องมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงอีกอีกคียวิรหนึ่งเท่านี้แหละ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 แต่ละอย่างแต่ละอย่างแต่ละคราวไม่เหมือนกันแต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันไประลึกเนี่ยถ้ามันระลึกได้ถูกต้องนะทุกสิ่งทุกอย่างนั้นแสดงไตรลักษณ์ทั้งสิ้นกายก็แสดงไตรลักษณ์นะเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอะไรจิตใจทั้งหมดนี่แสดงไตรลักษณ์ทั้งหมดเลยนี่เรียกว่ารู้ตรงความเป็นจริงการรู้กายสมมติสติระลึกรู้กายนะรู้กายจะรู้ลงปัจจุบันนะถ้ารู้จิตเนี่ยจะตามรู้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 หรืนั่งอยู่ดีๆใจลอยไปเกิดสติขึ้นระลึก ข, ขึ้นได้ว่าเมื่อกี้เผลอไปนะจะมีคําว่าเมื่อกี้ตลอดเลยถ้าคนเมืองชนเขาเรียกเมื่อกี้นะแต่ถ้าจังหวัดมันก็ไม่เหมือนกันเมื่อกี้นี่มันอย่างนี้เมื่อกี้นี่มันอย่างนี้หลวงพ่อได้ยินครูบาอาพูดทีแล้ว <c oughs> เมื่อกี้เมื่อกี้วัดเราแลเขียวดีหลวงอา <c oughs> ภาษาท้องถิ่นะ ดูจิตตามดูนะอย่างเมื่อกี้หลวงพ่อพูดให้ตลกรู้สึกไหมเผลอเผลอรู้สึกไหมเผลอเมื่อกี้นี้เผลอใช่ไหมตอนนี้รู้ว่าเมื่อกี้เผลอนี่ดูอย่างนี้นะดูจิตนะดูตามหลังอย่าดูปัจจุบันดูกายแล้วดูปัจจุบันอย่าดูอดีตอย่าดูอนาคตไม่เหมือนกันถ้าไม่กายดูในปัจจุบันได้เพราะรูปอายุยืนส่วนจิตนั้นอายุสั้นจิตเนี่ยพอมันรู้สึกมันรับอารมณ์อันหนึ่งแล้วนะ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 ธาตุลมธาตุไฟรู้ด้วยกายมีเครื่องมือรู้ไม่เหมือนกันหรอกเรื่องพวกนี้ต้องศึกษาทั้งนั้นแหละแต่ถ้าเราไม่ศึกษาเราลงมือปฏิบัติค่อยๆเจริญสติค่อยๆรูปรูปคลําลไปวันหนึ่งก็เข้าใจสิ่งที่เข้าใจขึ้นมากทั้งหมดเลยนะคืออภิธรรมทั้งหมดเลยอภิธรรมทั้งหมดเลยเพราะว่าอภิธรรมนั่นแหละสอนให้เราเห็นเลยว่าไม่มีตัวเราไม่มีสัตว์ไม่มีคนไม่มีเราไม่มีเขามีแต่รูปธรรมนามธรรมเรามีสติรู้กายรู้ใจไปเรื่อยเราก็เห็นไม่มีคนไม่มีสัตว์ไม่มีเราไม่มีเขา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 นะต้องใส่ไปหน่อยนะพวภาษามนุษย์แหละแต่มนุษย์เกินธรรมดามนุษย์ที่เรียนมากนะส่วนพวกปฏิบัตินะก็ไม่รู้ภาษาภนะาวนาเหมือนบัวเหมือนกวายไม่รู้ภาษานะทําทําไปดุยดยไปหลุดไปบ้างนะตกเหวตกร่องไปบ้างส่วนมากตกข้างทางกนะ็ไม่รู้หลักนะนั้นถ้าคนไหนมีทั้งปริญญาตปฏิบัตินะแม่นเปรี้ยเลย หลวงพ่อนะสงสัยมากเลยอภิธรรมเขาพูดอะไรหลวงพ่อก็เลยไปเรียนอภิธรรมความจริงฟังมาตั้งแต่เด็กนะแต่มันฟังกระท่อนกระแท่นไม่ติดต่อแต่ก่อนตอนเด็กๆนะี่ฟังของอาจารย์แนบของอาจารย์แนบของอาจารย์สุจินฟังฟังภาษาเด็กนะ่นะมันไม่ปฏิปตต่ตอมันไม่ปิ้งเมื่อปิ้งอภิธรรมขึ้นตรงไหนนู้นไหมตรงที่ไปอ่านเจอหนึ่งราคะโทสะโมหานี่แหละตัวอภิธรรม นี่เป็นอภิธรรมอันหนึ่งเป็นปรมัตธรรมอันนึ่งพอเข้าใจคําว่าปรมัตธรรมนะปิ๊งเลยโอ้ง่ายนิดเดียวเลยอภิธรรมนะถ้ารู้จักปรมาตธรรมเราง่ายนิดเดียวเพราะอภิธรรมเป็นเรื่องปรมาตธรรมทั้งหมดเลยเรื่องจิตก็เป็นปรมัตธรรมเจตสิกก็เป็นปรมัตธรรมรูปก็ปรมัตธรรมนิพานก็ปรมัตธรรมเรื่องวิถีจิตเราก็เห็นอยู่ทุกวีทุกวันนะเรานั่งดูจิตดูใจอยู่เราก็เห็นจิตขึ้นวิถีอยู่ตลอดวันะเว่ามันก็เหมือนกันนะ เรื่องสมถะเรื่องวิปัสนาใช่ไหมเราไปศึกษาตำราเออเราก็แม่นขึ้นอีกแต่เดิมเราทําครุกๆุกันเป็นสมถะบ้างวิปัสนาบ้างมันคลุกๆกันปนปนกันพอเรามาศึกษาตำราโอ้มันแยกกันได้เข้าใจแล้วจิตมันจะพลิกไปพลิกมาเมื่อก่อนหลวงปู่ดูลบอกนะเวลาภาวนาเนี่ยจิตจะพลิกไปพลิกมาระหว่างสมถะกับวิปัสนาแต่ไม่เข้าใจพอศึกษาอ๋ออภิธรรมบอกงี้เออมันจริงๆฮะมันตรงกันเป๊ะเลยอย่างนี้ เพราะนมันเสริมกันหน้าอย่าทะเลาะ ก, กันเลยเอ้าวเชิญไปทานข้าวนิมนต์เลยครับนิมนต์